วันนี้เราก็มารวมตัวกันเป็นวันหนึ่งในรอบเทือนของหลายปีที่ผ่านมามารวมตัวเพื่อที่จะรับรู้รับฟังสรุปจะตประเด็นนำมาปฏิบัติทา ม, มาปฏิบัติเป็นรำ ม, มาทำมโนปฏิบัติมากมายแต่ว่าความชัดเจน ซึ่งเป็นลักษณะของเอกลักษณ์ก็คือเคลื่อนไหวรู้สึกเดินจงกรมเป็นการฝึกหัดจิตให้มันอยู่ในร่องในรอยในกรอบในเกณฑ์ที่มันจะเดินไปสู่ทางแห่งความไม่เสื่อมเรียกว่าทางแห่งความพ้นทุกข์กระวาดอ่ะพนั้นต้องเผชิญกับทุกพอสมควรทีเดียวทุกกายทุกใจ จริงๆแล้วมันือาิการตามธรรมชาตินั่นแหละแต่ว่าเวลามันไม่รู้มันหลงเข้าไปมันก็เป็นทุกข์มันจะมีตันหาวทานพายยึดแล้วก็ติดแมะอย่างนั้นเลยกลายเป็นเรื่องของทุกกายทุกใจตัวความคิดถ้าถ้าไม่หลงสิ่งเหล่านี้กเกิดประโยชน์ทีเดียวเราก็เดินไปตายไปถอไปพายไ ป, ไป จิตสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็ผ่อนคลายสบายเป็นอิสร ะ, ะอยู่นโลกนั่นแหละโลมีนินทามีสันเสริญมีสุขมีทุกจะให้ไม่มีนี่ไม่ได้มันต้องมีเลมก็มีมานานแล้วด้วยมันไม่ใช่เพิ่งมีเมื่อเราเกิดมานี่ไม่ใช่มันมีมานมนานแล้ว อันนี้เรามาอยู่ถ้าเราไม่รู้โลกมันก็หลงโลกหนะลงในวัตถุ ก, กรรมคุณรูปรสกลิ่นเสียงพุทธาธรรมอรมนะในการกินเกียดนะมีอวตารในยึดดีนักนะนเวลาปฏิปธรรมเราก็จะเห็นนะบางทีมันก็เกิดความคิดบางทีเกิดอาการของกายมากมายเหื่อยเนื้อเื่อยตัวรนะ้อนๆอนหนาวหนาว บที่ราสบายบางก็ไม่สบายยังมีอาการเหล่านี้มาให้เราได้ผ่านหูผ่านตาล้ว่อเราจเจริญสติฝึกสติมันก็มีตาในยองเห็นอาการต่างๆตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องแต่ถ้าไม่เห็นนั่นแหละจะเป็นอุปท า, านเป็นกามอุ ป, ปาทานอย่างนี้นะเป็นอุปท า, านในกามในวัตถุกามคุณ รูปรสกลิ่นเสียงต่างๆดูแล้วก็ชอบโดยแล้วก็พอใจดูแล้วก็ไม่พอใจแล้วก็ไม่ชอบดูแล้วก็สุขโดยแล้วก็ทุกข์ฟังแล้วก็สุขฟังแล้วก็ทุกข์สรรเสริญก็สุขนินทาก็ทุกข์นีมันจะฟูๆแฟบๆอยู่ตลอดเวลาเวลารู้เท่ารู้เท่ารู้ทันอาการต่างๆมันก็รู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็วางมันก็ไม่ได้ยึดไม่ได้ถือ ถ้าจะถือก็ถือมาใช้นั่นแหละมันเป็นหน้าที่จะต้องถือต้องยึดมาใช้ใช้เสร็จก็จบเป็นวางเป็นไม่แบ่งเหมาแก่การงานทีเดียวบางทีมันก็เกิดเป็นลักษณะของอทิฏฐ ป, ปาทานมีความเห็นความคิดยังไงก็เชื่อนี่ความคิดของเราในความคิดของชุมชนของเรา นี่ความคิดของภรรคพวกของเรานี่ความคิดอะไรมากมายเหลือเกินจะต้องต้องยึดกันไว้นะวางไม่เป็นปล่อยไม่เป็นมันก็เย็นไม่ลงหรอกพอคิดทีไรมันก็เกิดพลังงานในหัวเครียด ว, วุววน่ววนวุ่นวุ่นเวียนเหมือนภายเรือในอ่างบางทีก็มีอาการตอกย้ำซ้ำเติมมาคิดอยู่นั่นแหะเรื่องเดียวคิดมันทั้งวันทั้งปีบางทีเปย์ก็ยังไม่เลืมสองปียังไม่เลิม พอเราสึกมามรู้สึกตัวนะมาหัดให้ใจมันมีสติอยู่กับกายฝึกบ่อยๆที่แรกมันอยู่กับกายจะมาดูกายออกอ่านกายออกมันเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็โดยเพราะจิตใจของเราที่มันคิดมันอ่านออกก่อนน้ามอ่านไม่ออกเลยมันเป็นอันเดียวกันเลยระหว่างความคิดกับตัวเราระหว่างกายกับความคิดระหว่างความคิดกับกายใจกับกายรวมกันไม่รู้อะไรคืออะไร ทุกกายก็ถึงใจทุกใจก็ถึงกายก็เลยเป็นเรื่องที่เราก็จะต้องมาเนี่ยละศึกษากันให้มันได้รายละเอียดให้มันเห็นส่วนประกอบจนทั้งเป็นเรื่องของรู้ตื่นเบิกบานเลยนะเมื่อก่อนหลงก็ไปในความคิดอย่างเงี้ยนะมันก็หลับไหลเป็นหนาของอยู่ใต้อิทธิพลใต้อำนาจจนทั้งเกิดอาการที่เรียกว่าพาละขึ้นมา พาละงทีเราก็พาดตัวเองทีก็พาดคนอื่นนันเป็นภาระมากอยู่ที่ไหนมันก็พึ่งตัวเองไม่ได้พึ่งผู้อื่นไม่ได้พอเรามาฝึกหัดปฏิบัติเราก็เห็นลักษณะของการนําตัวเองสติปัญญามันพามันนําตัวรู้มันนําไม่ใช่ตัวหลงมันนํามันทําอะไรมันก็เป็นความรู้เราก็รู้ตั้งแต่ต้นจนจบ รู้เหตุรู้ผลที่เดี๋ยวผลที่เกิดอย่างนี้เพราะเหตุอะไรอย่างมันจะรู้ชัดเลยแต่ทำเหตุเงี้เดี๋ยวเจอผลอะไรนะก็เลยมันรู้รอบจริงๆมัเป็นความรอบครอบของชีวิตนะเพราะฉะนั้นไปฏิบธรรมนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องเรื่าใส่ใจกันสักหน่อยแล้วก็รอบคอบนะปลาณนี่ยละเอียดลึกซึ้งกับมันหน่อยนะเดี๋ยวเพราะนะการมาฝึกที่วัดป่าสุก โ, โตนะีนะนะทีนี้ก็ฝึกการจิติสติกัน ถ้าใครไม่ได้มาฝึกเจริญสติถือว่าเฉยมากๆนะถ้าฝึกเจริญสตินะแล้วการเดินจงกรมการเคลื่อนไหวก็ทำให้หนักเลยชี้ชวนทําให้หนักเต็มที่เลยมีหนักรู้ว่าหนักอเดี๋ยวมจะมีเบานะถ้ามีปัญญาเห็นว่าหนักอเดี๋ยวมันจะเบานะปัญญามันก็ดตรงนั้นแต่เห็นว่าะเบาเกินไปนะมันจะเรื่อนรอยนะหลงคิดนะก็เจตนาใส่กําหนดลงไปหน่อยนะมันจะปรับไปปรับมาอ่ะนะมันจะสนุก จนเกิดความพอดีเมื่อไหร่แล้วเข้าร่องนี้เมื่อไหร่แล้วก็สบาย mm hmm. มันจะเห็นลักษณะของการที่เราว่ารูปนามขึ้นมารูปธรรมนามธรรมมันจะเห็นลษณะของตาในที่มันเปิดขึ้นมามันเคยลักษณะมืดๆงงๆมันเป็นความไม่ฉลาดมันเป็นอาการที่เราชวนหลงจนกระทั่งเหมือนกับว่าทั้งชีวิตก็หลงมาตลอดก็ว่าได้ ทำอะไรโดยที่มันไม่ค่อยได้รู้เนื้อรู้ตัวหรือบางทีมันก็มีเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคือมันช่วยเราอยู่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นอารมณ์กรรมฐานมันมีอยู่บางทีมันก็เฉยๆอย่างเงี้ยมันมีอยู่บางทีมันก็สุขบางทีก็ทุกบางทีก็บวกบางทีก็ลบมันก็มีอยู่เมื่อเราได้เห็นความจริงทุกๆสภาวะธรรมที่มีอยู่ในตัวชีวิตของเราอย่างเงี้ยตัวนี้แหละเมื่อเราใส่ใจการเคลื่อนการไหว เราได้เห็นล่างกนั่งนานๆก็เจ็บก็ปวดก็เมื่อยจะไม่ให้มันเจ็บก็ไม่ได้จะไม่ให้มันปวดมันเมื่อยก็ไม่ได้บางทีมันก็เจ็บก็ปวดก็เมื่อยอย่แล้วตามไปทําบางอย่างที่มันชอบมันก็เป็นอำนาจของความเพลินอยู่ได้ทั้งวันก็แก๊กก็แก๊กวนเวียนปวดเปลี่ยนขอเคลียร์ได้ทั้งวันอํานาจความเพลินเี้ยเราได้เห็น่างที่ทํามันก็เพลินเหมือนกันทํางานก็เพลินก็มีมาทํามันเกิดอารมณ์ขึ้นไหมพอใจขึ้นไห เรากได้เห็นเรียกว่าทุกซอกทุกมุมเลยของตัวชีวิตเราบางทีก็เป็นความดีบางทีเปนความไม่ดีความคิดบางทีมก็ดีม ท, ทีเป็นความคิดไม่ดีมันก็คือมีค่าทั้งคู่มีค่าทั้งคู่มันจะหมายถึงว่าคิดดีเป็นบวกให้คะแนนเต็มสิเพราะท่างคิดไม่ดีเกิดอะไรที่มันไม่ดีขึ้นไหมติดลบศรัทธาตกเนี่ยอันนี้แสดงว่ามันยังไม่ใช่อารมณ์กรรมาฐาน อารมณ์กรรนเนิ่มา น, นิ่งๆรู้สึกตัวจิตก็จะเป็นปกติจิตก็เป็นอุเบกขาธรรมพอมันได้ตัวรู้สื่อๆตัวรู้เฉยๆเป็นเบกขาธรรมขึ้นมามันจะกลายเป็นพรหมขึ้นมาเลยจะเมตตาก็ได้จะกกรุกรุณาก็ได้บุติตาก็ได้ทำไมไหวอย่างเงี้ยอุเบกขาห้อยไว้เลยก็ทําสุดวีมือแล้ ว, ว่จะทํำยังไงช่วยไม่ได้จริงๆแม่น้ําก็แล้วลูกยอก็แล้วกอไผ่กแล้วใส่เตาเฉยๆเลย อย่างนี้แหละมันจึงมีสภาวะที่เราเหมาะแก่การงานขึ้นมาทำด้วยความบริสุทธิ์ใจมาได้หวังเป็นลาบสกาลาเป็นอามิธเป็นเสียงสละเสริญเยนยอชื่นชมทำเพราะความเป็นธรรมชาติเป็นของตัวชีวิตพลังชีวิตพาธรรมตัวร่วมพารมสติปัญญาพาธรรมทํากิจงานใดก็ตามก็รู้จักหน้าที่ของมันโดยพระหน้าที่ตอนนี้เป็นหน้าที่ของนักกรรมฐาน มันไม่ใช่หน้าที่ที่ผลไคว่เรื่องอื่นนะยิ่งคอสเจ็วั น, นทำเลยกรรมฐานทำอะไรนั่งเดินยืนนอนกาหนดความรู้สึกตัวให้ดีๆจะกินจะขับถ่ายจะนอนหลับต่างๆจะพูดจะคุยรู้สึกตัวให้ดีๆนะหรว่ามาใหม่ๆ ใ, ในคำพูดให้น้อยที่สุดนะจะดีเพราะคำพูดเป็นเงางความคิดร0อเอร์เซนถ้าพูดแล้วมีสติมีสตินานแล้วไอ้พวกทอคโชว์ทั้งหลายนะพวกไฮปาร์คทั้งหลายมันคงจะบรรุธรรกันหมดล้ แต่ว่าถ้ารู้จักสนทนารู้จักพูดนะนั่นหมายถึงว่าเราเห็นแล้วว่าตัวความคิดมันเกิดขึ้นมาจนกระทั่งมันก็ว่าความคิดนะอันนี้ดํำรีขึ้นมาเพื่อที่จะพูดคิดมาเพื่อที่จะทำํำนะมีสติก่อนคิดสติก่อนพูดสติก่อนทำขณะคิดขณะพูดขณะทํำอันนี้มันจะปลอดภัยทีเดียวนะมันจะเป็นลนักษณะของธรรมชาติแนะสดงออกเป็นธรรมชาตินั่นะเพราะฉะนั้นลนักษณะของนะ ตันห า, านอุปาทานอุปาทานไอ้ตัวเนี้ยเป็นเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ถ้าจะดับทุกข์ก็ดับตรงนี้แหละอย่าหลงเข้าไปจนกระทั่งยึดแนรลมเป็นอุปาทานความคิดเป็นของเราตัวตนเป็นของเราเรียกว่าอัตตาวาทุปาทานบางทีเราก็ยึดเอาตัวตนของเราเป็นอุปาทานจนกรทั่งใส่หัวขวนจนถอดไม่เป็นกันแล้วกันตรงนี้นะถ้ามีอำนาจก็จะร้องอำนาจเลยก็เียว่ามันไม่เห็นจริงๆไม่เห็นกายไม่เห็นใจ ไปเห็นความคิดหรือว่าแนวปฏิบัติแนวเคลื่อนไหวนี่คือให้เห็นความคิดก่อนที่จะเห็นนี่มันเคยอยู่กับความคิดนะก็อยู่ความคิดความคิดเป็นเราทีนี้นะพอเราเริ่มปฏิบัติมันจะเริ่มรู้ทันความคิดแทนที่จะอยู่มันก็เริ่มรู้ทันเมื่อเรารู้ทันความรู้สึกในการเคลื่อนกันไว้มันก็จะเห็นจิตมันว่าบ่อยไปคิดอย่างนี้มันจะเริ่มรู้ทันแล้วก็รู้ตัดๆัดนะ ทันทีอยารู้แล้วก็ต่อยาวยืดมันกลายเป็นรูปปั๊บเป็นตัวสติปัฏฐานที่มันตัดว่างทันทีเกิดการปล่อยวางความคิดหลุดจากความคิดทันทีมาเริ่มรู้ทันทีแรกมันอยู่ต่อมามันรู้เมื่อสติปัฏฐานมันเกิดจริงๆไงมันถึงจะดูเป็นเมือมันดูเป็นการนี้เรามันจะดูเห็นสรรพสัตว์สวรสิ่งมากมายแล้วเกิดที่เป็นอาการของ รูปธรรมนามธรรมเป็นวัตถุเป็นอาการต่างๆมากมายแล้วกันตรงนี้เรามันจะตื่นตาตื่นใจมันจะเห็นรายละเอียดของกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดมันก็จะมีความชัดเจนตามลําดับของสติปัฏฐานที่มันมีจากน้อยไปหามากจากสติทารลกต่อแตะต่อแตะรู้สึกกายรู้สึกกายนะต่อแตะต่อแตะจนกระทั่งมันดูกายเป็นจนกทั่งมันรู้ความคิด แล้วก็ดูความคิดเป็นจนกระทั่งรู้ว่าเออเนี่ยคืออาการของสติะจิตก็จะเป็นปกติตรงนี้มันไม่ได้มีอำนาความเพลินมันจะไม่ได้มีอำนาจของความพอใจแม่พอใจมันก็จะทำไปซื่อๆอย่างเนี้จะแป๊บๆจบบอลเลยแต่ว่าก่อนที่จะปฏิบัติแล้วก็ไดอารมณ์ปฏิบัติไดอารมณ์กรรมาฐานก็ต้องผ่านนิวรธรรมมาขัวอยู่เช่นเนี่ยมาเที่ยวงงเหงเหานอน ไม่ยกไม่เป็นไรถ้ายกเมื่อไหร่ก็ง่วงเหงาหาะนอนทันทีนะก็เรียกว่าทีนธรรมิแทะง่วงเหงาเศรื่มเบื่อแสงวมันจะเกิดขึ้นมาขณะปฏิบัติทำอันนี้ต้องอาศัยพลังของกรลมาิตรเห็นเพื่อนก็ทําได้เราง่วงเพื่อนเหง่วงเราง่วงมันจะถ่ายทอดพลังกันเองมันจะปรับสมดุลกันเองระหว่างเรากับเขาบางทีเราก็ฉลาดพอผ่านบ่อยๆนะเห็นมันบ่อยๆรู้ทันมันบ่อย มันก็ตื่นตัวขึ้นมาชํานาญขึ้นมานกลายเป็นประสบการณ์กลายเป็นทักษะการผ่านอารมณ์นะอันนี้ถ้าไม่ปฏิบัติมันก็จะเห็นยากนิดหนึ่งถ้าไปทํางา น, นก็เ พ, เ พ, เพลิดเพลินละการ น, นี้เราก็ไม่รู้ว่านะ่ะคืออารมณ์อะไรกันแน่ไม่ชัดเจ น, นะแต่ถ้าชัดเจนปับ๊บเนี่ยมาไกลายว่าทํางานก็ได้ปฏิบัติก็ได้ปฏิบัติก็ได้ทํางานก็ได้สิ่งเดียวกั น, นะให้สังเกตดูการนี้กรรมาฐานเนี่ยมันเป็นระนาดที่ว่านะ รูปแบบการปฏิบัติอย่างมาใหม่ๆเนะให้เราปฏิบัติแบบแนวหลวงปู่เทียนจริงๆนะคือพลิกมือตั้งให้รู้สึกตัวนะยกมือขึ้นไปให้รู้สึกตัววางที่สะดอให้รู้สึกตัวจริงๆจนถ้ามันเข้าใจว่ากลไก่ตัวเนี้ยนะมันคืออะไรกันแนนะ่วิธีปฏิบัตินะหรือว่าอัานที้สองของการปฏิบัติแบบนี้มันคืออะไรกันแน่ให้ชัดเจนนะจ้ะจนถ้า มันเป็นการเคลื่อนไหวกิบาก็รู้หายใจก็รู้จนทั้งความคิดว่าไหวก็รู้ลมมากระทบสัมผัสเราก็รู้สึกตัวมันละเอียดลงไปเลยเสื้อผ้ามาคอเคลียก็รู้สึกตัวผมของเรามาคอเคลียก็รู้สึกตัวนแต่พระไม่มีผมไม่รู้หลักผมมาสัมผัสเป็นยังไงแต่นื้เอาก็เคยมีผมยาเหมือนกันอย่างเงี้ยพอจะสัมผัสได้แล้วเคยปฏิบัติตอนเป็นโยมก็สัมผัสได้ว่าเวลาผมของเรามาสัมผัสตัวเองเป็นยังไงอย่างเงี้ย เวลาไว้หนวดน่ยหนวดมันยาวๆเวลามันกระดิกกดสัมผัสมันเป็นยังไงมันจะรู้สึกเวลารับประทานอาหารน่ะมันรู้สึกตัวมันเป็นยังไงเวลาเข้าห้องน้ําเรารู้สึกตัวมันเป็นไงตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นบ้ามันจะเปิดเผยตัวเองออกมาจากที่ไม่รู้มันก็เข้าใจขึ้นมาไม่ได้สัมผัสที่เป็นสภาวะของการสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวมันเกิดจากการฝึกกันหัดจนกระทั่งมันมีพัฒนาการตามระดับขั้นตอนนะ นิวันตัวต่อมาที่เราจะต้องนะเหมือนกับว่าได้เจอกันทุกคนเลยก็คือตัวสงสัยตัววิจิกนะิจฉาในยังไงก็ได้เจอทุกคนในข้อเริ่มต้นเดี่ยนะวนายยกทําไมแค่นี้คือตัวสงสัยแล้วนะปกติแล้วก็สงสัยเอ๊ะเขาทาอะไรเอ๊ะเขาจะไปไหนเอ๊ะมันคืออะไรเอ๊อะสารพัดนะนะทิมจะเกิดขึ้นมาเป็นความสงสัย เอ๋พระเจ้าทำอย่างนี้จริงหรือเปล่าเอยกมือรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นทางเดินสู่มรรคสู่ผลจริงหรือเปล่ามันก็จะเกิดคำถามมากมายอันนี้เป็นสติหรือเปล่านี่เป็นกายหรือเปล่านี่เป็นใจหรือเปล่ารูปธรรมนามธรรมเป็นยังไงอ่ะก็พูดกถึงรูปธรรมานมามธรรมเมันจะมีข้อสงสัยเกิดมาแน่นอนรวมไปถึงเอ้เขายู่กันยังไงวัดนี้ไปสงใจนอกตัวเงี้ยเป็นคำถามก็จะเกิดขึ้นมาะ วิจิกิจฉาในภาษาบาลีของเราไทยๆคือความหลงเลสงสัยการพยาบาทการก็คือลรื่องของปฏิกะท่มเกิดขึ้นมาเป็นโทสะเป็นความโมโหโทโสหรือว่าเป็นเรื่องของความหงุดหงิดลำคาญพวกนี้มันจะเกิดมาใต้สุดก็คือกลายเป็นเรื่องของปฏิกะมันเป็นภาษาบาลีปฏิกะแต่ของเราก็คือลักษณะของความหงุดหงิด ต, ต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นมาเล็กๆนะเดี๋ยวมันพาไปถึงตัวกรอดเลยทีเดียวหรือว่าลาคานะนะที่มันเกิดขึ้นมาอันนี้จะกลายเป็นเรื่องของตัวการโยไมไปหาความโลภในท้ายสุดอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยมันก็คือตัวที่วางเราไม่ให้มารู้สึกตัวถ้ามันเกิดขึ้นมาคือลักษณะของรูปรอยของความคิดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็วางแม่เรามารู้สึกตัว แล้วเราก็เลยเหมือนกับว่าเคลื่อนไปก็ทบสัมผัสรู้สึกถ้าใครรู้สึกได้แล้วเบื้องต้นก็ไม่ต้องไปหารายละเอียดไปหรอกใช่หรือเปล่าหรือว่าทําไปจะได้อะไรอันนี้สองมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมเราก็ไต้องไปหาละก็เชื่อว่ากรรมฐานกอไกเ่เริ่มต้นถูกต้องแล้วเริ่มต้นพลิกมือสัมผัสกระทบรู้สึกแต่ว่าเบืองทีมันจะมีอาการเจ็บปวดเมื่อยเวลาเรานั่งปฏิบัติเนี่ยอาการเจ็บปวดเมื่อยจะออกมามากเป็นพิเศษ แต่ถ้าเดินจงกรมอันนี้มันจะความคิดฟุ้งซ่านเป็นพิเศษเวลานั่งปฏิบัติยกมือมันจะง่วงเป็นพิเศษเวลาเดิน14จังหวะก็จะมีอาการหลงเผลอไปเป็นพิเศษเหมือนกันทางตาบ้างทางหูบ้างหลงเพลิดเพลินบ้างเราเข็ดหลาบการนั่งอย่างนั้นเราจะต้องปรับสมดุลนั่งแต่พอดีเดินแต่พอดียืนแต่พอดีหรือ น, นอนปฏิบัติก็ได้บางทีนอนปฏิบัติมันก็เป็นวิปัสสนา มันเป็นไปได้เลยถ้าทำเป็นได้ทั้งหมดเอียบอใจสีนั่งเดินยืนนอนแม้ทั้งเล็กๆน้อยๆคู่เหยียดเคลื่อนไหวทั้งหมดทั้งเก็บตกให้หมดแลยทั้งในสถานที่นอกสถานที่ทุกๆกิจกรรมกลายเป็นเรื่องฝึกจิตฝึกใจได้ทั้งหมดอันนี้ก็พูดให้ฟังเพื่อเราได้เห็นว่าปฏิบัติธรรมศาสนามันสอนเรื่องของจริงกันสัจจะคือความจริงอย่างน้นะ เราก็ได้เห็นมันเกิดขึ้นที่เราแล้วก็เกิดขึ้นกับทุกๆคนนั่นะเดิมทีเราก็มีความโลภความโกรธความหลง ก, ก็เหมือนกันทุกค น, นมีความทุกข์โดเพราะความทุกข์เหมือนกันทุกคนจะสาเหตุใดๆก็ตามมันก็คือความทุกข์ที่เกิดในตัวเราพราะเราไม่รู้ไม่รู้สึกตัวพอเราลงมือนะปฏิบัติเราก็เริ่มเห็นแล้วะบางทีมันก็ไม่ใช่ทุ ก, ก น, นะมันเป็นธรรมชาติ น, ะนั่งนก็เป็นธรรมชาตินะ อียบทนั่งยืนกนเน็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมะมีอาการที่ซ้อนขึ้นไหมเจ็บปวดเมื่อยไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนี่ก็เป็นธรรมชาติเรารู้จักปรับเปลี่ยนผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขหิวก็ไปหาข้าวทานซะแต่เมื่อเอ่ชุมชนนี้เรามีศี 8, แลแปดอยนเราก็ลองฝึกปฏิบัติ ด, ดูเวลาหิวแล้วมะนะันมีอาการที่รู้สึกว่าหิวนะเกิดขึ้นานะ มันก็จะเกิดความฉลาดตรงนี้เห็นเป็นอาการไม่ได้เห็นว่าความหิวเป็นความทุกข์เราก็อดทนรอได้คอยได้หรือว่าเกี่ยวข้องโดยการดื่มน้ําดื่มแทะละลายกดนะีก็พอไอเจียจางก็มีปัญญาเกี่ยวข้องแบบนี้ฝึกกายก็เราให้มีนิสใสมีนิใสที่รับประทานเป็นเวลาตื่นเช้ามาทานเยอะๆะตอนเพลนทานน้อยๆแล้วก็พอลักษณะเย็นๆก็ดื่มน้ําปานะแล้วก็น้ําเปล่าแล้วก็นอนหลับ้าง ก็จะกลายเป็นเรื่องของธรรมะก็คือธรรมชาติเราก็ปฏิบัติตนอยู่ในธรรมชาตินะเราก็จะเห็นว่าพลังงานต่างๆก็ถูกใช้แต่พอดีไม่มากเกินไปเพราะบางทีอาหารมันเข้ามาในตัวมกกันมากเกินไปปนมากเกินไปบางก็เป็นปัญหาแล้วก็หาทางออกเมื่อไม่มีทางออกก็ดันออกตรงที่โครคภัยไข้เจ็บเป็นไขมันเกินเป็นเบาหวานบ้างเป็นโรคเกาตบ้าง เป็นโรคสารพันโรคที่มันจะเกิดมากับอาหารมากมายแล้วเกิก็คืออาหารมันไม่ได้ใช้พลังงานปลดปล่อยออกไปแรงรับมันเยอะแต่แรงส่งมันน้อยที่จะใช้มันก็ยิ่งมันก็ว่าไม่ได้ถูกใช้ไปมันก็ยังเหลือพลังงานอยู่มันก็กลายเป็นเข้าตัวพลังงานก็เข้าตัวพอเราเห็นแล้วว่าอ๋อการฝึกขัดปฏิบัติมันทำให้เห็นอาการต่าง แล้ก็ฝึกหัดจนกระทั่งกายมันก็อยู่ในระเบียบวินยัยนะจิตใจของเรามันก็สามารถคิดอยู่ในระเบียบวินยัยได้ก็เรียกว่าเจตนาคิดถ้าเป็นตัวที่เราไม่ได้เจตนาคิดนะอันนี้เราเรียกว่าตัวที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือหลวงพ่อเขียนในใจภาษาว่าตัวรักคิดก็ได้เย็นไหมญาติโยมที่เพิ่งมาใหม่ๆตัวรักขโมยคิดนะปฏิบัติธรรมอะไรได้เห็นตัวนี้บ่อยมากทียิบเลยแต่ว่าสนุก ปกติถ้าเราไม่ได้มาฝึกหัดเนี่ยเราจะหลงอยู่ในตัวคิดที่เป็นตัวละขโมยคิดอยู่เป็นประจำจนทางเราเกิดความโกรธความโลภความหลงความรักความชังความอิจฉาริษยาหรือว่าอารมณ์ต่างๆมากมายละเกินที่เป็นฝ่ายอคติรละทำเป็นฝ่ายที่ทําให้เราเสื่อมแต่เรามาฝึกหัดปั๊บเนี่ยสิ่งเหล่านั้นถูกจัดระเบียบถูกนํามาใช้ได้อย่างเหมาะสมต่อไปไม่ใช่ว่าดีไม่ใช่ว่าไม่ดี มันเป็นเพียงแค่อาการปรากฏการทางธรรมชาติที่มันมีอยู่ในตัวเราเราก็จะรู้จักใช้จักถือจักหยิบจักวางจนทั้งเป็นตัวปัญญานั่นแหละก็กลายเป็นเรื่องประสบการณ์ที่เราทุกคนจะได้มาดูตัวเองเห็นตัวเองเหมือนกับเราดูหนังดูละครนั่นแหละชีวิตของเราที่ผ่านมาทั้งหมดดีเราเก็บเอาไว้ประทับเอาไว้ในใจของเราไม่ดีเราเก็บเอาไว้ประทับไว้ในใจของเราอย่างนี้นะ ไปเรียกว่าบุญบาปบัญชีหนังหมาเน่าแผ่นทองคำก็เรียกว่าบุญหนังหมาเน่าก็เรียกว่าบาป้ายสุดมันก็แสดงออกมาคิดดีก็ออกมาคิดไม่ดีก็ออกมาเพราะนั้นนักกรรมฐานเบื้องต้นก็คือเราก็ยามไม่ดำหรีว่าจะคิดดีหรือไม่ดีทั้งหมดเลยคิดดีก็ไม่ต้องไปสนใจใส่ใจมาอยู่ที่นี่เจ็ดวันดีขนาดไหนก็วางเอาไว้ก่อน โครงการดีๆบางท project, ีโปรเจกต์ดีๆโผล่ามาขนาดไหนก็เอาวางไว้ก่อนนะบางทีความคิดไม่ดีอันนี้ก็คือปัญหาเก่าๆที่เราแก้ไม่ตกมันจะตามเข้ามาในวัดป่าสุขโต้ด้วยปัญหาเก่าๆที่แก้ไม่ตกมีอะไรบ้างเช่นตัวอย่างปัญหาเรื่องลูกปัญหาเรื่องร้านปัญหาเรื่องบ้านปัญหาเรื่องการงานปัญหาเรื่องผู้คนรอบข้าง ปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องสุขภาพแต่อาจจะเป็นปัญหาก่อนมาวัดปฏิบัตินะมันยังคาราคาสังอย่างก็ติดตัวมาตัวนี้กลายเป็นความบไยพอดหรือว่าความกังวลนะห่วงการงานห่วงการเดินทางห่วงการเรียนห่วงสารพัดนั่นแหละที่จะชวนให้เราคิดออกไปนอกนอกจากกรรมฐานของเราที่เราเจตนาที่จะเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเป็นหลักเอาไว้เจตนากําหนดตัวเนะี้ทําไมกําหนดก็มีกําหนัดแน่นอน ถ้าเราไม่เจตนามันก็ไม่เป็นกรรมฐานเป็นการตั ก, กรรมเป็นกรรมที่เป็นโมฆนะกรรมนี้ต้องมีเจตนากรรมฐานก็ต้องมีเจตนาใส่ไว้ก่อนแต่พอเราทําไปทําไปบทเรียนจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมามันจะค่อยๆผ่อนคลายแล้วเกิดการปล่อยวางถึงตอนนั้นก็พ้นเจตนาไม่ต้องเจตนาแต่ว่าตัวสติมจะรอบคอบและเป็นไหวพลิบว่องไวเป็นปฏิพันน์ที่จะพาเราให้เราเหมือนกับว่าเห็นอาการต่างๆตามความเป็นจริง ที่เรียกว่าอาการของรูปของนามมีกายมีอาการของกายมีใจก็มีอาการของจิตของใจจิตก็คืออาการนอกจากจิตเดิมแท้เดินประพัดสอนผ่องใสมีอยู่จิตที่ปกติก็เหมือนกับใจที่ว่างจากความหมายความเป็นตัวตนตัวเดียวกันตัวนี้แต่เราเห็นลองเห็นรอยพัดตกเขาลองรอยถลําลงไปก็เนื่องจากเราทําจนกระทั่งมันถึงเวลาของมันมันงอนไม่อยากเห็นก็เห็นไม่อยากเป็นก็ต้องเป็น ไม่อยากรู้ก็ต้องรู้มันถึงเวลาตรงนีนะ้มันก็จะแสดงความเป็นปกติให้เราได้สัมผัสแหละความเป็นกลางทั้งหลายทั้งปวงนะภาษาพระเจ้าเรียกว่ามัชชิ ม, มาปฏิปทานะตรงนี้แหละที่เราต้องเข้าร่องเข้ารอยนี้สักก่อนปกติที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเข้าร่องเข้ารอยของนะเป ล, สลกสันนิกอสุลกายอใบยภูมินะพวกนี้เป็นสัตว์ไรฉ า, านต่างๆนะมันจะเป็นเรื่องทีนะ่เป็นพบภูมิที่เราเกิดอยู่เป็นประจำ ยกตัวอย่างเช่นขัดแย้งเนี่ยเวลาเห็นคนทําดีขัดแย้งนีก็เรียกว่าเดระฉานเลยล่ะบางทีก็ต้องหลบเลื้อยเลี่ยงไปมันไม่มีพลังหรือว่าเราไม่สามารถแสดงพลังได้ดีกว่านั้นก็ต้องเฝ้าดูสภาวะเฝ้าดูนะพอขัดแย้งปั๊บกลายเป็นพบภูมิเดระฉานกลายเป็นทะเลาะบอกแวงกั น, นอีกตัวนึ่งก็คือเปล่า เ, เปล่นี่ยเคยเปลักษณะของโลภเลยความโลภอยากได้ อยากได้อยากมีอยากเป็นต่างๆตัวนี้มันจะเป็นความโลภเป็นระดัของเปลือกเท่าไหร่ก็ไม่พอเราตลานี้มันจะอยู่จุดนิ่งๆก็นไปได้เห็นคนอื่นก็ได้ก็จะอิจฉามันจะเกิดขึ้นมาทันทีเลยอันนี้เป็นภพภูมิของเปลือกอสุรกายก็เป็นระดับของจิตติมเป็นร่างบขี้ขาดขี้ขาดตาขาวหวาดกลัวกลัวมากๆนะเรื่องความกลัวเนี่ย คนหัวลุกทีเดียวอย่างเช่นคืนนี้บางทีอาจจะมีความกลัวโผมาอยู่วัดอยู่ว่าอยู่กุฏิบางกุฏในนี้บางทีก็มีคนตายอยู่หลายกุฏบางทีเขามาก็นอนไปบัตธรรมาตายไปเฉยๆต่างกนะันมีนะที่นี้โพลแคนนี้ก็คนหัวลุกเลยไหมเขากุฏเราหรือเปล่างดีนะก็ปรงุงปรงุปรงแต่งๆไปไอ้ที่พูดนี่ยจริงๆนะแต่ว่าถึงมีก็ไม่กลัวยมถ้าคืนนี้รู้สึกตัวนะพวกนี้ก็หน้าตาสดใส ตื่นนอนหลับอย่า ง, างมีความสุขตื่นขึ้นมาก็เรียกว่าฉลาดขยันขึ้นมาแล้วตั้งแต่เช้าผ่องใสขึ้นมาเลยเป็นความรู้สึกว่าเออมีชีวิตชีวาทีเดียวถ้าวาดกลัวคือระนาจิตจะตกพบภูมิมาเป็นอสุรกายทันทีพระแพทย์เนี่ยก็ชอบนะหลอมเดิมโซลาเดิมเบียร์หร้อแอลกอฮอลมีฤทธิ์ต่างๆของหมาของดอกให้มันเมินให้มันเมาเสพของต่างๆ ที่มันจะทําให้เหมือนกับว่าเกิดความกล้ า, าหารขึ้นมาอย่างนีนะน้ก็เรียกว่าสุลาสุลาอ า, าหารทีลอาอาหารพวกนี้บางทีเราก็เห็นภพภูมิของการเป็นเทวดานะพร้อมให้ให้อภัยอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเทวธรรมเหมือนกันอายชั่วกลัวบาปต่างๆเป็นเทวธรรมแล้วก็ล่หนาว่าให้วัตถุหนึ่งสองสามให้อย่างไม่ประมาณ ให้จนทั้งหมดเนื้อหมดตัวก็มีบางทีนะเป็นกลุ่มของเทวดาก็เรียกว่าต้องการความสุขที่เกิดจากการชื่นชมแล้วป็นที่ยอมรับกลุ่มนี้จะกระตือรูอร้นทีเดียวไ ด, ออ ไ, ได้มาออกไปได้มาออกไปได้มาออกไปเป็นอาการของอายะสัมภทยางเราก็เห็นแล้อ้อ น, นี่คือเทวดาอารมณ์มันก็เกิดกับเราเหมือนกั น, นอีกอย่างก็คือสภาวะที่เรียกว่าพรหมพรหมก็คือใจดีนะ นะโดยเพราะพวกหมอพยาบาลในใจดีนะมีเมตตามีกรุณามีเมตตามีเบเกขาเมตตาเห็นขัทุกอย่างเนี้ยเราก็เห็นแล้วโอ้ขัทุกนะคิดว่าจะช่วยเหลืออยู่อาจจะยังไม่ช่วยทันทีทันใดหรือว่ามันพอช่วยได้ก็ช่วยทันทีทันควันเลยให้เขาได้เหมือนกับว่าหายทุกทันทีหรือว่ากรุณยอย่างเงี้นะนะเราก็จะต้องมีการมีเมตตามีกรุณาเห็นเขาทุกเราก็ต้องช่วยกันเมื่อช่วยแล้วก็หายจากทุกอย่างเลยนะ ก็หายจากทุกข์จริงๆนะจากเขารู้เขาไม่รู้แล้วก็บอกให้เขารู้ว่าเขาหลงนะีเรียกว่าเป็นกายามิตรเป็นครูบาอาจารย์อะไรก็ตามเราบอกในสิ่งที่เรารู้กับเขาปรัชนาดีเขาจริงๆเอออันนี้ก็เรียกว่าลงมือก็ทําเอ่ยปากนทําให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสกนะ็การุณาลงไปช่วยได้แล้วโอ้หายจากทุกข์แล้วอย่างเงี้ยนะอุอาหามุติตาอุหามุตนา เห็นดีด้วยนะเออคุณมีความสุขฉันก็นมีความสุขสุขไปได้วยกันคุณทุกข์ฉันก็นทุกข์นะเอออย่างเงี้ยช่วยกันก็นมีมุทิตาจิตอันดีงามขึ้นมาไม่ได้อิจฉาริษยาเห็นเขาดีกว่าเออเจริญรุ่งโรจน์แล้วก็สาธุอ่าถ้าช่วยไม่ได้จริงๆรินะอย่างหมอโพยาบาลช่วยคนไข้ช่วยไม่ได้จริงๆริรูปมันเดือจริงจริงอย่างเงี้ยมันช่วยไม่ได้จริงๆก็ต้องปล่อยมันเสพยาบ้าต่อไปติดคุกติดตารางเออให้เป็นเรื่องของ ตำรวจทหารเขาจัดการกันไปเป็นเรื่องกฎหมายก็เรียกว่าเป็นลักษณะของอุเบกขาวางเฉยไม่ได้ไวไวไม่ใช่ปกป้องนะก็ให้สังคมเขาร่วมกันรับผิดชอบไปนะอันนี้แหละเราก็จะได้เห็นพบภูมิต่างๆจนกระทั่งเหมือนกับว่านะมันเกิดความเป็นปกติจิตขึ้นมาความเป็นปกติจิตเนี่ยก็คือลักษณะของติดจิตที่มันฉลาด มันชลาอย่างไงก็คือมันเป็นลนักษณะของไหวพิปรีพาน์เกิดสภาวะขึ้นมาคือรักษาตัวอันดับแรกก่อนประโยชน์ตนมันจะตกไปไปเสื่อมแต่มันจะไม่ไปฝ่ายที่ทให้ทุกข์เนยทุกข์วิราคิดมันจะไม่ไปโดยเพราะภพภูมิต่างๆที่มันรู้แล้วพภพภูมินี่มันโหมันวนเวียนมากเลยเป็นวัตตาสงสารนวนอยู่นั่นแหละจนทั้ง เกิดข <ide> ึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นทียิบเลยแล้วก็ดับไปทียิบเลย้ารู้เท่ารู้ทันเราเห็นกระบวนการนี้โอ้โหมันไม่ธรรมดาทีเดียวนะมันเป็นความละเอียดปลาเนี่ยเราต้องแยบคายกับมันเพราะฉะนั้นทําอย่างปลาเนี่ก็จะได้ของปลาเนี่ยถ้าทําอย่างหยาบยังไงก็ได้ของหยาบแตามีความขี้เกียจขี้ค้านแล้วก็ชนะกิเลสได้ยากลองขยันลงไปใส่ใจลงไปมีความภาคเพียรลงไป ทำลงไปด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ผิดหรอกแต่ถ้ามันคิดรู้นะเ น, นี่ยผิดนะอันนี้เป็นความไมา่ฉลาดมากๆแต่สัมผัสรู้ยังไงก็ถูกเบื้องต้นเนี่ยเจตนากำหนดรู้สัมผัสรู้ให้ถูกก็ก่อนเดี๋ยวๆไทยสมัยจะทำอะไรมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งหมดที่สติปัญญาเป็นเรื่องของธรรมชาติมันพาไปเองไหลไปเอียงไปเทไปลุ่มลึกลาดเอียงเทลงไป จนสู่เรียกว่าความวิมุตต์หลุดพ้นอะ่ะตรงนั้นมันมีอยู่จริงๆทุกครั้งที่รู้สึกตัวมันก็วิมุตต์อยู่แล้วแต่ประเด็นให้เห็นกายเคลื่อนไหวก็ว่าถ้ามีจิตคิดเกิดกนมาก็เห็นจิตคิดให้มันทานกันคิดร้อยครั้งไมัรู้ร้อยครั้งด้วยนะไอ้มันทานแบบนั้นเลยแต่ใหม่ๆใหม่เรามันคิดร้อยครั้งมันรู้สักครั้งก็าวแล้วห้าครั้งสิบครั้งก็าวแล้วจนกระทั่งมันรู้ไว้เคืนไว้เคื่อนไว้เคลน่อนตรงนี้มันจะเกิดกําลังขึ้นมา จะมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ใช่ภาษาพูดกันแล้วก็ะมันจะเป็นลักษณะของอาการแสดงออกมาภายในตรงนี้แหละที่เราพูดเนี่ยไม่ต้องเชื่อเร า, นาใ น, ล, นลักษณะของลักษณะพุทธลักษณะของศาสนาพุทธในหลักของศาสนาพุทธพูดไว้ชัดการละมัสูตรก็คืออย่าเพิ่งเชื่อเพราะเป็นครูบาอาจารย์ก็อย่าเพิ่งเชื่อเวลาพูดอะไรไปไม่ต้องเชื่อเลยนะอย่าเชื่อเด็ดขาดนะที่เราพูดเนี่ยให้ทําดูสัมผัสรู้ดู อย่าเชื่อเพราะว่าพูดน่าเชื่ออย่าเชื่อเพราะว่าทําสืบต่อๆกันมาไม่ต้องเชื่อหรอกอย่าเชื่อเพราะว่าตรงกับความเห็นของเราเลยทิฏฐิของเราความเห็นะตัวนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อแต่ว่าให้พิสูจน์ดูก่อนเวลาพิสูจน์ก็ลองมีเกณฑ์ชีวิตสักหน่อยอย่าเลื่อนๆลอยๆชมนกช ม, มไม้อ้อยอิงเิียเวลาพูดคุยกันตรงนั้นนไม่ใช่เกณฑ์ชีวัด มาแล้วสบายแล้วมาอีกเนี้ยแต่หลังพอเจอข้อสอบรล้วทุกข์เนะีเจอข้อสอบต่างๆเจอโจทย์ต่างๆมันเฉลยไม่ได้พอไปเจอโรคแล้วมันยังทุกข์อยู่เดี๋ยวก็ต้องหลบมานอนที่วัดนี่เองอันนี้มันก็จะเสีย <c oughs> เสียประโยชน์ตนไปก็เลยต้องมีหลักมีเกณฑ์สักนิดนะเคลื่อนไหว14ชิ้นไหวนีพลิกมือตั้งให้รู้สึกตัวเนยเป็นหลักเป็นเกณฑ์ยกมือขึ้นมาเคลื่อนมาให้รู้สึกตัวนี่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ มากระทบสัมผัสเนี่ยแฮมเป็นหลักเป็นเกณ์หารู้อยู่กับปัจจุบันแฮมจานาซะก่อนผมรู้อยู่ปัจจุบันเห็นอาการต่างๆที่ปรากฏธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดปัญญาขึ้นมาจริงๆมันจะรู้แล้วอ๋อสิ่งเหล่านั้นคืออะไรก็จะเป็นคําตอบภายในจิตใจของเราทุกคนไม่ต้องให้คนอื่นตอบนะก็จึงไม่ต้องมีคําถามก็ได้คำถามคือความคิดเป็นความหลังเลสงสัยเป็นด่านกั้นจิตแม่บรลลุกถึงคนงามความดีเหมือนกัน เมื่อเราลงมือกระทําลงไปแล้วตรงนี้หล ะ, ะมันจะค่อยบอก ค, อค่อยสอนเราเราก็จึงต้อง <c oughs> ปลึกวิเวกกันไม่คุกคีอย่างนี้นะเราไม่ต้องสืบประวัติกันคุณเป็นใครมาจากไหนอย่างนี้นะไม่ต้องมาสืบประวัติคนที่อยู่เก่าๆก็ทําให้ดูเป็นแบบอย่างกันเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบแล้วคอรนี้ดีก็คือในแง่ของคนเก่าประมาณ 4 0่สกว่าเปอร์เซ็นต์นะมาคำนวณดูนะตอนนี้สี่กืบห้็นตที่เป็นคนเก่ามาเกือบครึ่งต่อครึ่งนะก็จะปล่อยลงฐานปฏิบัติแล้วก็ต่อยอดของเราเลยนะไม่ต้องมานั่งฟังไม่ต้องมาสนใจอะไรทั้งนั้นนะพยายามใส่ใจกับความรู้สึกตัวทําจนกระทั่งมันเกิดความสมดุลขึ้นมานะการเคลื่อนมือกายเคลื่อนไหว ใ, หใจรับรู้ตรงนีน้เกิดขึ้นมากายไำใจทําด้วยเดวนีน้มันเกิดขึ้นมาไปด้วยกันนะเคลื่อนไหวปั๊บรู้ปุ๊บเคลื่อนไหวปับรู้ปุ๊บ เงี้ยนะจนมันเห็นความคิดได้ไ ว, นะวอะเรามาก็พูดใหม่เห็นว่าสมควรแก่เวลานะก็ยินดีต้อนรับนะกลุ่มที่มาเข้าคอร์สในวันนี้นะแล้วก็อนุโมทนานะกับทุกท่านที่มาร่วมกันปฏิบัตินะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งเหมือนกับว่าเราเห็นว่าสมควรที่จะไปะเผชิญโลกหรือว่านะไปสอบอารมณ์ตัวเองก็ว่าได้นะการรูปเสียงกินลดปัจจุบธรรมอาร ก็ขอให้ล <c oughs> ักษณะของการปฏิบัติที่เราปฏิบัติอยู่หรือว่ารูปแบบปฏิบัติที่เราปฏิบัติอยู่หรือว่าลักษณะของสติปัฏฐานที่เราดําเนินกันอยู่ก็จงพาไปถึงลักษณะของปัญญาที่เป็นปัญญาพุทธะเหนือความทุกข์หรือว่าถึงที่สุดแห่งความทุกข์มีแต่ความสุขเกษมสารในนิพพาน ก็ ค, คือความเป็นปกติโดยทั่วหน้าการทุกท่านทุกคนตั้นเติอ